ถ้าไม่ได้การและเวลาอันสมควรก็บรรลุไม่ได้ในื้รการทำของพระองค์เนี่ยทมชนิดที่เรียกว่ายิ่งยวดยิ่งยวดนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหาัสแล้วแล้วยาวนานด้วยนี่สิ่ะยิ่งยวดยาวนานแล้วยาวนานบางคนทานานแต่จริงแต่ทำแบบทําเล่นๆอันนี้ไม่เล่นเอาจริงตลอดเยนะไม่มีเวลาเล่นมีแต่เวลาเอาจริงเอาจังทุกอย่างทาเสมอด้วยชีวิตอุทิศชีวิตให้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 ผู้ที่ให้ทานมากผู้ที่รักษาศีลอย่างดีโดยทั่วๆวไปแล้วเป็นยังไงเขาเหล่านั้นก็น้อมไปเพื่อเกิดในภพใหม่เพราะเมื่อเกิดในภพใหม่พ้นแห่งศีลทําให้เขาเกิดในสุขติพ้นแห่งศีลเท่าคำทำให้เขามีอายุยืนยาวนานพ้นแห่งศีลทําให้เขาพ้นแห่งการให้ทานในอดีตทําให้เขามั่งมีโภคะพ้นแห่งศีลข้อที่สองทำให้เขาไม่เสื่อมทรัพย์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 เป็นคุกพิเศษขังด้วยก็เรียกว่าอะไรนะขังด้วยห้องทองคํามันก็คือคุกนะถึงจะล่ามด้วยโซ่ทองมันก็คือคุกถึงจะใช้กรงทองมันก็คือคุกนะเป็นที่เรียกว่าอยู่ในคุกมันก็มีหลายตําแหน่งใช่ตำแหน่งนักโทษระดับล่างไอ้นักโทษเหมือนกันนี่ยแหละแต่เป็นลักษณะว่าดูแลนักโทษด้วยกันนักโทษดูแลนักโทษแต่สรุปว่าชีวิตก็คือชีวิตในในคุก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 มันก็ชีวิตในคุกอันนี้ถ้าหากว่าเรามองแล้วพวกเราทั้งหลายก็คืออยู่ในคุกคุกคือสังวัตสังสารวัตคุกคือวัตตะเป็นคุกที่ยิ่งใหญ่นักแรถึงจะอยู่ในฐานะใดตำแหน่งใดก็คือคนคุกเหมือนกัคนที่อยู่ในคุกเป็นนักโทษประหารกันทุกคนเลยนะอาจจะใครนักโทษประหารบางคนก็ถูกเคียนบ่อยนะเดี๋ยวก็เคียนที่หัวก็ปวดหัวมึนหัวไปหมดเลยนะบางคนก็ถูกตีที่เขา่าก็เจ็บเข่าหมด บางคนก็ถูกตีที่หลังบางคนก็ถูกคว้านท้องบางคนก็ต้องผูกผ่าอกเนีนะหมอคงเคยเห็นนะถูกผ่าอกแบบเป็นๆเลยนะเสร็จแล้วก็เย็บเข้าไปใหม่ใช่ก็คนคุกถูกหอกทิ่มหอกแทงบางคนก็ถูกหอกน้อยๆแทงถูกแทงเข็มฉีดยาอย่าเงี้ยนะก็ถูกหอกน้อยๆถ้าหอกนั้นมันขยายใหญ่แต่มันก็คือหอกวันยังค่าถูกตัดถูกต้อนถูกสารพัดอยู่ในนั้นตามภาษาของคนที่อยู่ใน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 นี่คือคุกนี่คือตารางใจน้อมไปเพื่อจะออกโดยส่วนเดียวเมื่อท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการออกบวชหมายคาะว่าอย่างที่เรียกว่าเนคขมมะนนะเน่คขมมะคืออะไรเนคขมมะเป็นชื่อของพระนิพพานถ้าสมบูรณ์สูงสุดตามอัตกถาจุลโพธิเจริยาที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยนะเนคขมมะคือพระนิพพานแล้วอุบายที่จะทาให้บรรลุนิพพานคืออะไรก็คือ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 นะครับขอให้ได้เป็นการบวชจะรับที่ใดศาสนาใดจะเป็นเบรถีนิครนาศาสนาไหนก็บวชหมดขอให้ได้ประพฤติชอบอย่างเดียวนะเป็นการบวชที่ปฏิบัติไม่ผิดเป็นการบวชที่ปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในอุโบสถศีลเนี่ยนะเพราะว่ารับที่ภายนอกนี่อย่างเก่งก็คือบวชแล้วรักษาอุโบสถศีลได้แต่จะมาเป็นปาติโมกขสังวรแบบพระภิสุในพระพุทธาศาสนาไม่ใช่วิสัยเพราะว่า